หรือหลายอยู่วันอาทิตย์นึ่งวันพระนาก็เป็นวันงานแล้วเรื่อเสียงหนึ่งวันพระนาวันมาคาบุชาเป็นวันสำคัญที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะว่ามาคาบุชาดัานรอชมันดูตนด้นแบบต้นอย่างช่วงนี้เป็นเดือนของความรัก อันนี้เราก็ไปจำปรหลังเข้ามามาดูว่าวันแห่งความรักในทางศาสนากับวันแห่งความรักวันแห่งคอองาวามเจาพคลิวก็กลายเป็นว่าเป็นของทั่วโลกไปลนะจนลืมที่มาที่ไปนั้นมาเทียบได้ถึงประวัติศาสตร์ พระบอดคมเป็นมาของวานไทน์เซนวนไทน์นี่คือนบุญกับม า, าบูชาของพวกเราแตกต่างกันนเชช้นความรักของมบูชาเป็นความรักที่บริสุทธิ์เพราะว่าบุคลากรหรือบุคคลหรือพระ ที่ามาในวันนั้นพันสองร้อยห้าสิบูดเเป็นผู้บริสุทธิ์ปฏิจจา ก, กามเรียว่าเลนทายตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งจนจบไม่รู้เกี่ยวคำรักตรงไหนไม่มีแต่กามกับการางลืงเอาผู้หญิงผู้ชายรับกันติดคู๊ดคิดถึงกัน เขียนจดหมายเลือดก็ถือบูชาครับกับฝ่ายทางเราเนี่ยปฏิบัติจึงหรือแต่ความบริสุทธิน์นั้นในเดือนนี้ก็เชิญเชิญพวกเราทุกคนจะจุดเป็นคนเชื่อของศาสนาอะไรก็ตามและเยื่ความรัก อยากให้พวกเรารักตัวเองเยอะๆเรารักคนอื่นมาเยอะแล้วในชีวิตเราทั้งชีวิตรักคนนั้นคนนี้คนนู้นสิ่งนั้นสิ่งนู้นซึ่งนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลยดังนั้นแต่ทีไปเป็นไปนะให้รักตัวเองเนๆๆีะยอย่าไปทําร้ายไปทําลายตัวเองเพื่อรัิกษาตัว พอเวลาที่รักตัวเองมันมีน้อยคนอื่นเราถือว่าใครเยอะแล้วเลิกถึอคําของประเทศที่ดันให้ผลไว้ตัวเลขประเทศของพวกเราท่านบอกว่าชีวิตท่านมีอยู่สองเรื่องที่ทําเพื่อตัวเองเรื่องหนึ่งคือเรื่องกินเรื่องที่สองคือเรียนหนังสือ นี่ทําเพื่อตัวเองนอกนั้นทําเพื่อคนอื่นทั้งนั้นเป็นไรโครการสารพัดโครงการโมเดลที่สารพัดโมเดลที่รูปบ้านทั่วเมืองโดยก็คือการศึกษาถ้าคนด้อยโอกาสเดี๋ทําเพื่อคนอื่นทางนั้นกระด า, า, โโ า, า, โโาทํขาขนดขาษนี้นนนยังไม่มีใครคนไม่ไปปรารถนาดีต่อท่าน ทีนี้เรามาดูพวกเราบ้างว่เ า, เาเอาลองออกแค่คําวอาพระองค์วัดมาต่อเจอ้ า, จนานต่อพิจารณาต่อทุวันเนี้ยเราทำพเพื่อใครคือกินเอาชีวิตภายในวัดมันต้องอะไรบ้ากทุวนันี้คือกินแล้วก็เรียนแล้วที่ทําเพื่อคนอื่นคืออะไร นอกจากกินแล้วก็รียนหนังสือคืออะไรที่ทําเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคืออะไรลองนลกดูในชีวิตวิจารันที่เราทําเพื่อคนอื่นมีอะไรบ้างถ้าไม่มีอะไรเลยก็กินเผื่อหนังสือก็ไม่เรียนก็เหลือแต่กินเดียวหนังสือก็ไม่เอาแล้วก็เหลือแต่กินอย่างเดียว นี่มันแตกต่างกันอยังไงระหว่างคนเราเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่กินแต่เ ร, เรียกไม่เหมือนกันตอนนี้นเชื่อว่ากินเหมือนกันหมดไม่ว่าคนหรือว่าจะเพสตาเหมือนกันหมดทั้นถ้าเราเอากินเป็นตัวตัง้งมันไม่ไปไหนว่าไหนถ้าเป็นเรื่องอาารัราเรื่องอักษรกับคุยง่ายก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นก่อกา กอไก่ก็ก อ, อกินนั่นแหละกอไก่มันเป็นธรรมะในหลายธรรมะถ้าเอากอไก่ไปตัวตั้งมีอะไรมั่งทีเกี่ยวกับกอไก่กินก็หนึ่งละกอไกอ่เกิดก็กอไก่เกิดก็จุดเริ่มต้นแล้วเกิดคณะก็เกิดเพื่อกินหรือกินเพื่อเกิด แค่ก็ไก่ได้ก็โอพรานาไม่หมดแล้วจะเอาแค่สองคำก็พอกินถ้าไม่กินเน่เกิดอะไรขึ้นตนัวก็เกิดถ้าไม่เกิดจะเป็นยังไงเนี่ยเอาแค่สอนคำน มันจะเกิดปัญญาทําให้เราได้สติปัญญามังงั้นก็สักแต่ว่ากินกินกินกินทุกวันแต่ปัญญาไม่เกิดอยู่ท้ายกรสันหาอะไของกินพอ ก, กินเสร็จแล้วเป็นยังไงหลังจากกินแล้วเป็นยังไงก็เป็นขอใครไงขอใครคืออะไร พวกเราลอไปจินตนาการดูก็ใครแล้วก็ใครขอปวดไม่ใช่แล้วใครก็ใคยขอปวดไม่ใช่ขอคนใครก็ใครปวกควายขอคนคนก็ไม่ใช่นะนี่คือคนเกมขี้เนี่ยคือคนคนคืออะไรกดกับปนไปปนมาแบบนี้ ก็แกก็แคร์กพ่อคนคนระคังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงต้องมีครงอาจารย์งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงรงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง้งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง งั้นสติปัญญาไม่เกิดแล้วที่เราสอนกันก็สอนอย่างนี้แหละใครที่เป็นครูอาจารย์จะรู้ถึงเราแต่เราไปเรียกว่าสอนสอนหนังสือทําไมถึงบอกสอนหนังสือคือสอนตามหนังสือเราน่าจะเปลี่ยนคทำไมเปลี่ยนจากสอนหนังสือเป็นสอนคน ไม่ใช่สอนหนังสือเพราะสอนหนังสือมันก็จะนี้แหละคือตามหนังสือหนังสือมาจากไหนมาจากคน้นคนไปเขียนขึ้นมาแต่งกันมาเรียบเรียงขึ้นมาสิ่งที่เราจะอสอนสอนคือสอนคนแต่ในโรงเรียนมันน้อยมันสอนหนังสือมากกว่าสอนคนมันถึงได้เป็นอย่างนี้เมื่อสอนหนังสือมากกว่าสอนคนก็แปลว่า มันไม่หนีเหมือนที่ปริญาวางเหมือนวันมาฆะปวิญญาวนี้แต่เราพาลานาก็คือวิชากับจรณะไม่สมดุลกันวิชาคือนี่นคือความรู้เนี่ยเราก็สอนให้ทุกคนมีความรู้ความสมาธิประกอบสมาธกินวิชาชีพแต่จรณะทุกความประพฤติเราไมา่ค่อยได้สอนกันที่โเรียนน้อยมากถ้าเทียบชั่วโมง่ะชั่วโมงที่เป็นจรณะเนี่ยน้อย เพราะนั้นถึงไม่แปลกเราจบเอาไว้ผลิตคนออกไปเป็น้อยเป็นพันเือนเป็นแสนจารณะมันน้อยมีแต่วิชาก็ไปเอาวิชาความรู้เราเรียนมาไปใช้ในทางที่ไม่ดีทุจริตคอรัปชันตามมาเห็นหมคนมีวิชาเยอะรู้เยอะฉลาดเยอะเขาควาฉลาดก็เอาเปรียบเขาอันนี้สิ่งที่เราขาดเราก็คือสังคม เพระนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือช่วงนเวลามาแค่บูชาอยากให้พวรารักตัวเองโดยการเข้าวัดฟังธรรมจเส้นธรามนะไม่นอนก็ได้ไม่ได้จะพรบอกกันม่นอนก็แค่มาฟังอย่างอย่างเช่นวันนี้ผมฟังผมบอกว่าแค่ต้นๆกแค่เอาคําของประเทศิสองคำคือกินกับเรียนมันกรองกระทำเพื่อคนอื่นนี่เราเราเอาตัวอย่างพาอง่ออกมา เรากินมานานแล้วเราเรียนหนังสือมานานแล้วเราทําเพื่อตัวเองมากที่อะไรก็ได้ที่เป็นเพื่อตัวเองเพราะอะไรก็จากไปชิดลมไม่ได้อยู่อยู่แวนั้นสองสาวันนี้ผ่านมาเราไปเกี่ยวบงานศพศพศพศพศพตลอดติดกันสองศพสามศพมันดูอายุตัวเลขศพแรกเกจสิบสอง สุที่สองหกสิบห้าที่สามสามบ้าบันลงมาเรื่อยๆเลยนะมันไม่เรื่อยเลยนะที่สำคัญก็คือในขณะที่หมายถึงความตายคนแรกที่อยู่ก็ไม่ทันตั้งตัวนะก็กไปเนะจ็บก็ลกไปเจ็บปวดใจ เลือดเปเลียหัวใจไม่พออันตรายนะถ้าเกิดจากอะไรกินไขมันอุดตันจะเลือดเลือดไปไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเลือดไปส่งไปเลี้ยงสมองอะบวกหมอผ่าดูแล้วว่าอืมเป็นเลือดไม่ใจไม่กินเท่านั้นอาหารนะคิดว่าอะไรคืออาหารแต่คิดได้จะคิดว่าคนที่จะมองคีว่า กระตันหันนิเรานตัวข้อที่สามเนี่ยเลือดในสมองถ้าเลือดสมองก็จะไรลไขมันอุดตันสพราอุดตันคืออะไรเลือดปกติมันจะเดินสะดวกพอมีไขมันอุดตันมันก็จะบิเลือดมันก็จะเว่งน้อยลงพอเว่ง้อยลงมันตันเข้ามากเข้าเลือดก็จะเว่งเร็วมันก็สุดชีพ มันก็ไปดันเส้นเลือดเส้นเลือดพอแล้แตกพอแล้วก็เลือดเลยออกอันนี้อันตรายเลือดออกของวกคเข้าไปอาหารท่านั้นอาหารคืออะกินเห็นไหมข้อไกลเห็นไมแค่ข้อไก่ลังกระสบผิวหนังถ้าบอกภาษาจักรวรรดิข้อไก่ข้อไก่ A B C D เป็นเธรรมดาเปเรื่องพื้นฐาน ก็แปลว่าพืชทานอะไรอย่างสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นจะไปห่วงอย่เป็นเล่นเล่นกินจนมากเกินไปลเรารักตัวเองรักยังไงส่วนแหกเรารักคนอื่นหรือไม่ก็อยากให้คนอื่นรักตัวเองเราคนที่ขาดความรักจารยกนี้ไปเราเริ่มรักตัวเองรักษาตัวเอง อ้างสุขิตตัวของไม่ถือเป็นเองไปเยอะทุกอย่างได้ทุกโคคนนี้นิดไม่ออกว่าจะให้ตัวเองเป็นยังไงสวดทุกวันนี่แหละมารักตัเองเยอะเสร็จแล้วค่อยรักคนอื่นจะเป็นจาตาสจาตาวงวนตุกเพราะนั้นเยอะเวลาสองสามวันคิดว่าที่เรามาอยู่ด้วยกันอย่างน้อยทําให้เราคิดได ความคิดนี่เป็นเรื่กงที่พู้เจ้าตองกันปรับคือกระบวนการความคิดนั้นแ่ะแต่เราก็จากความคิดที่มันไม่ถูกมันไม่เป็นสมาธิิแล้วมันก็เป็นวิชาดิจิติวิชาดิจิมิพาไปแห่งาสุหิยะนะสนสมาธิจุดเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอาศัยพลังกรว่าอย่างนั้น ทุกอย่างถ้าเราเริ่มต้นที่ดีถ้าเราเสร็จแล้วคร่เวลาเขาเชิญชวนพวกเราในวันมาฆะในวันแห่งความรักในฐานศาสัาฆไม่เชี่ยศาสนาอื่นดูที่ว่าเราเป็นม่ต้องทำอย่างเพราะวันหนึ่งเราไม่ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้วันหนึ่งเราก็ต้องไปคนเดียวเรามาคนเดียวไปคนเดียวทีนี้ความพร้อม ที่จะไปเรามีความพร้อมหรือยังหลายวันวันนี้เราคงราค า, สาเสพข่าวอะไรไม่ได้แค่สินหานะัปนาติปาตาข่าวไปข่ากันมายื่นกันไปยั่กันมาบางข่าวบางแล้วสลดสังเวชอายุแปดสิบกว่าเก้าสิกว่าเจ็ดสิบกว่าแล้วยังไม่เป็นไหไมาไหนๆๆการมีสุวิชาจารย์ยังไม่ได้ ยังแสดงหาโพนี่อยู่คิดดีพวกเราไปดูพวกเราถือโชงดีนะหกสิบ0็ดสบแปดสิบางควัดมีคนหนึ่งไม่ไปหไหนมาไหนเลยเดียวกันฆ่ากันตายเพราะการเมสุประชาจารณอธินาธานาเวรมณีสมบัติหามาทั้งชีวิตเป็นร้อยล้านเป็นล้นหมื่นล้านเมื่อวันที่มากล้หมื่นล้านยังไม่ตายเลยรมถึงกันแหละ มารู้จกออากคำว่พอมารูจกออากคลว่โลก น, นี่ก็เพราะาอาธินาทานาคิดไม่เป็นอันนี้คืออย่างง่ายๆสำสังสำหรับคนที่ไม่มีิีลไม่มีธรรมถ้ามันจะเป็นยังไงจิตใจมันจะไหลไปยังไงเพื่อนึกก็ปาพพวกเราทุกคนมีโอกาสมีเวลาซึ่งเวลาเราก็มีน้อย ตัว น, น้อยมากๆจะมีเวลาอีกกีวันกี่เดืนกี่ปีนึ่พยายามในขณะที่มีลมหายใจลมหายใจสําคัญที่สุดหมดลมหายใจหมดทุกอย่างเลยหรืออะไรที่อยู่ในตัวเราอยู่ได้มันจะกลับมาฝึกดูลมหายใจกำหนดลมหายใจให้ความสําคัญต่อลมหายใจเยอะๆสิ่งที่ชีิตผู้เชาวมองเห็น ลองหายใจหนึ่งคือจุดจำให้อยู่เร็วจุดเป็นจุดตายไปจุ่ตรงนี้ถ้าอะไรนี่ก็ตายอันนี้ก็เป็นเราจึงเร็วว่าจุดเป็นจุดตายของกายเราคือลองหายใจโฟกัสเน้นหนึ่งตอนนี้คืออัศรศักปัศรศักดิเร็วอภิปสนาหรือว่าอนาบนสติอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราจะได้มาเรียนรู้และนำประสบการปฏิบัติโดยตรงนี่คือฝึกจริง ฝึกการตัวเองฝึกทางกายคูบคุมกายฝึกวาจาคูบคุมวาจาตัวอื่นแต่ไม่ไปดูกายของคนอื่นอย่าไปดูวาจาของคนอื่นนะนี้คือการฝึกไม่งั้นไม่จบไม่สิ้นเราลําบากเดือดรอนก็เพราะกายโดยเพาะอจงคือกายคนอื่นไม่เกี่ยวกับกายตัวเองดึงวาจาคนอื่นใจคนอื่นเนี่ยพราะความเข้าใจผิดเราป็นชาตทิฏฐิ แล้วก็ไปทุกข์ทุกข์กายคนอื่นทุกข์ว่าอาจารย์คนอื่นทุกข์ว่าความคิดของคนอื่นโดยที่เราไม่ดูความทุกข์ที่เกิดจากความคิดคำพูดการทำกองตัวเองดนั้นถ้าเรามาฝึกแล้วเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ก็ดีไปต่อยอดโดยเฉพาะยิ่งคือเดือนแหความรักตัวนี้ก็จะหมดแล้วเดือนนี้ถึงปีนี้ยังถือเป็นปีที่เรามีเวลา เยอะหน่อยโดยกลุมพาทุกปีเป็น28ปีนี้กนะ็เปเสร็จอ่ะถือม่มีกันมีเวลายืดเวลาให้วแล้วก็เชิญชวนพวกเราทุกคนมีเวลาไม่เยอะมไม่น้อยถือโอกาสมาฟังก็ยังดีไปกับหรืออยู่ประจำเป็นดีที่สุดเพราะอย่าน้อยที่สุดก็คือจะได้อยู่กับตัวเองให้มันเยอะยกก็อื่นมนเยอะแล้วก่อวขพัฒ น, นาความดีพวกเราทุกคนที่ มีกุศลเจนาิตเจตหลังที่ทำมาเพื่อรักษากายวิจาตัวเองรักษาใจตัวเองเพื่อชีวกรรการข้าวัดตัวเองเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของการเขาวัดคืออันนี้แหละหลักๆก็การที่เข้าวัดของเราคือวัดอันนี้คือวัดกายของตัวเองวัดวาจารของตัวเองวัดใจของตัวเองนี่คือการเข้าวัดแต่เข้ามาวัดแล้ววัดกายตัวเองไม่ได้ เข้ามาวัดแล้ววัดวาจาตัวเองไม่ไ yup. ด้ควบคุมไม่ได้เข้ามาวัดแล้ววัดใจตัวเองไม่ได้การเข้าวัดก็ไม่ได้ตัวัดอะไรเลยเวลาอยู่ที่ไหนก็ตามให้วัดกายตัวเองให้ได้วัดวาจาตัวเองให้ได้วัดใจตัวเองได้นี่คือการเข้าวัดโดยความหมายอย่างแจริงขอขอบคุณพอีกครั้านึ่งในจุดนี้การที่รอทั้งหลายขอขอบคุที่เรอทำในวันนี้ จงถึงแก่บันพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตยายายคุณผู้คนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่เราทั้งหลายได้กระทามาเป็น